รู้จริงแล้วจัดให้ตรงอันใดทำความชั่วลดหายความดีงอกงามได้อันนั้นทำและดีเสียงพูดเรื่องหนึ่งก็สำคัญน่าจะหยิบมาดูแม้ข้อความของเรื่องที่ได้ยินยังไม่เต็มเรื่องแต่พอจะใช้เป็นข้อปรารพเพื่อบอกหลักที่ชัดซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์เสียงนั้นผ่านานมาทำนองว่านั่นไม่มีในพุทธว จ, จนะ ต้องไม่ทำนี่ไม่มีในพุทธวจนะให้เลิกซะดูเหมือนจะมีด้วยว่าพระพุทธรูปไม่มีในพุทธวจนะก็ต้องเลิกสร้างไม่ต้องมีแน่นอนว่าเสียงพูดเสียง่านมานั้นก็มีข้อดีอยู่ใช้เตือนกันได้แต่ไม่พอที่จะเป็นหลักจริงแน่ว่าอะไรมากมายที่ไม่มีในพุทธวจนะนั้นไม่ถูกต้องควรละเลิกเสีย แต่สิ่งมากมายที่ไม่มีในพุทธวจนะก็เป็นการปฏิบัติตามพุทธวจนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีควรทำไม่เพียงพระพุทธรูปจะไม่มีในพุทธวจนะอะไรอีกมากมายอย่างวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามาคะบูชาวิสาขาบูชาอาสาละหะบูชาก็ไม่มีในพุทธวจนะ การเวลาผ่านานานมาพระพุทธศาสนาแผ่ขยายไปในถิ่นแดนกว้างไกลห่างออกไปทั้งกาละและเทศะในกาละเทสะที่ต่างอันห่างออกไปนั้นกลายเป็นว่าหลายอย่างที่มีที่นั่นเมื่อนั้นก็ไม่มีในพุทธวัจนะหลายอย่างที่มีในพุทธวัจนะก็ไม่มีที่นั่นเมื่อนั้นแล้วในการปฏิบัติจะใช้หลักอะไร เรื่องวัฒนธรรมประเพณีเป็นตัวอย่างสำคัญในเรื่องนี้คนในถิ่นแดนทั้งหลายมีวัฒนธรรมประเพณีของเขาเมื่อเข้ารับพระพุทธศาสนาเข้าไปวัฒนธรรมประเพณีบางอย่างก็ถูกละเลิกไปบางอย่างที่ไม่มีมาก่อนก็เกิดมีและเจริญขึ้นมาไม่ต้องพูดถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแม้แต่วันสำคัญที่สนุกสนานของชาวบ้านอย่างวันสงกราน ถ้ามุ่งเอาแต่สนุกบันเทิงก็ไม่พ้นมีเรื่องเดือดร้อนวุ่นวายสัพพุริสชนจึงส่งเสียงขึ้นมาว่าเราจัดให้มีกิจกรรมในการทำความดีในวันสนุกสนานนี้ด้วยน่าจะทำให้เป็นวันที่ดีจริงนอกจากตัวเองสนุกสนานก็แถมให้มีความสุขด้วยกันโดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความรักสามาคัคคีแสดงน้าใจต่อผู้อื่นตั้งแต่บุปการีปูย่าตายาย ผู้เฒ่าผู้แก่แนบแน่นในครอบครัวแล้วก็ผูกใจเพื่อนบ้านเป็นบุญกิริยาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ากับหลักพระพุทธศาสนากิจกรรมทำดีวันสงกรานไม่มีในพุทธวจนะแต่กิจกรรมทำดีนั้นเป็นการปฏิบัติตามพุทธวจนะเมื่อมีก็ย่อมดีเทศการกิจการอื่นก็เช่นกัน ไม่ต้องพูดถึงวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาข้อสําคัญมีแง่ว่าอะไรที่บอกกันมาว่าดีอย่างในวันสําคัญนี้จัดกันไปจัดกันมาที่ว่าวันดีทํานั่นดีทํานี่ดีหลงเพลินกันไปกลายเป็นเสื่อมลงเสื่อมลงก็มีการปฏิบัติตามพุทธวจนะก็ต้องจับหลักให้ตรงให้มั่นนั่นคือหลักที่เป็นไปตามพุทธวจนะว่า อันใดจัดอันใดทรรมอกุศลเจริญกุศลเสื่อมหายอันนั้นควรละควรเว้นอันใดจัดอันใดทรรมอกุศลเสื่อมหายกุศลงอกงามขึ้นไปอันนั้นควรจัดควรทมว่ากันตามหลักใหญ่หลักแกนนี้ก่อนเรื่องซับซ้อนค่อยว่ากันอีกที